ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะคะที่ให้โอกาสกับโยมได้มาทาได้จัดรีทรีตแล้วก็มาทำรีทรีตทําไมถึงถึงอนิยมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า เมื่อกลับไปเมืองไทยนะคะได้ซื้อหนังสือของพระอาจารย์มาอ่านก็ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เป็นใครแต่พออ่านหนังสือแล้วก็ชอบในธรรมะที่ท่านเขียนขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็อยากจะทราบว่าพระองค์นี้เป็นใครอยู่ที่ไหนแต่แล้วอ่านจบไปประมาณสองปีก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนบังเอิญอยู่ก็ ตอนที่ไปไปเที่ยวโยุโรปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วน่ น, นะค ะ, ะก็ได้ข่าวพอกลับมาอาจารย์เอาก็มีเพื่อนบอกว่าพระอาจารย์องค์นี้ท่านพุทธยานันทะพิขุใช่ไหมคะนามปากกาเป็นคนเขียนหนังสืออิริยาบถเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่ง น, นะคะรู้ตัวทั่วพร้อม any way ก็ เสร็จแล้วก็สัมภาวพระอาจารย์ก็มาที่ที่แวนคูเวอร์พอมาเสร็จแล้วก็เพื่อนคนนั้นเขาก็ได้นามบัตรของพระอาจารย์แล้วเขาก็แนะนำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะโทรไปหาท่านก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่ค่อยโทรติดต่ออะไรทีหลังนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะจัดรี r ทร t กันนีา เรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นก็ได้จัดมาจนกระทั่งวันนี้น ะ, ะเป็นวันสุดท้ายซึ่งก็คิดว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรในครั้งแรกนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์สันติอย่างมากที่ให้โอกาสได้ใช้สถานที่นี้ซึ่งก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ ดีในระดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นนะคะในบางที่ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะให้พูดอะไรโยมก็ปฏิบัติสมถะา ม, ามานานะนะคะ ก, ก็จะคุ้นเคยกับการนั่งหลับตาแล้วก็ทำใจนิ่งใจสงบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่พอมาช่วงหลังเนี่ย ก, ก็ได้ศึกษาก็ปฏิบัติมาแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันปันเพราะว่า ม, มันเดินไม่เป็นมันเดินปัญญาไม่เป็นแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะ ม, มันมีแค่นี้หรอ ซ, ซึ่งคิดว่ามันไม่ใช่ก็เลยสแสวงหาก็เลย ไ, ได้ไปก็ปปฏิบัติหลายที่แล้วเกิน ในสุดท้ายเนี่ยได้ได้เทปของพระอาจารย์การโมทมาก็ลองมาฝึกก็มีความรู้สึกว่าชอบเหมือนเหมือนกันว่าพอฟังแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบว่า looking for นะคะก็ลองดูลองดูลองดูงดงด Anyway ก็พอที่จะรู้บ้างแต่ไม่ถึงกับว่าดีเด่นหรืออะไรพอท่านมามาอ่านหนังสือของท่านเนี้ย โยมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายกันนะคะแต่คำพูดหรือว่าส่วนละเอียดปีกย่อยอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนว่าสิ่งที่โยมปฏิบัติมาตามพระอาจารย์ประโมทเนี่ยอ่มันมันคล้ายกันนะท่านคือของอาจารย์ประโมดูจิตใช่ไหมคะของท่านดูกายอิริยาบถแต่ว่าในที่สุดก็ดูจิต ใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าโยมมาทำเงี้ยโยมยังไม่ทันยังไม่ทันได้อะไรเป็นที่ชัดเจนเพราะว่ามันมันใหม่แล้วก็เป็น organizer เนี่ยมันมีเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประดังเข้ามาแบบว่า my goodness เหมือนอย่างกับเป็นแม่เน่ยคนนั้นก็ฟ้องคนนี้ก็ฟ้องก็มาบอก oh, my goodness anyway. บอกว่าฟ้องกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นไทย <c oughs> เอาประสบการณ์ภายในก็แล้วกันนะคะก็มีอยู่วันหนึ่งที่ที่โยมก็ฝึกไปแต่ว่าโยมจะเจอแบบว่าความง่วงนอนมีมากที่สุดไม่รู้ว่ามาจากไหนนักหนาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่านอนไม่พอหรือว่ากินมาก ใช่ค่ะมนูก็ดูแต่ก็อดกินมากไม่ได้สักทีเพราะพี่เขาทํำอร่อย <c oughs> ก็ง่วงนอนทุกครั้งที่เข้ามาในหอจับนั่งไม่ได้จะต้องออกไปข้างนอกไปเดินเดินเดินเดินเดินให้มันตื่นนะคะจะไม่ค่อยเห็นโยมมานั่งนี่หรอกจะโยมจะไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วมันตื่นมันสดชื่นมันตื่นถ้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บยิ่งถ้านั่งดูเสือเหมือนสะกดจิตโยมให้หลับ เริ่มแรกก็คือออริจินัลก็คือเคยเดินแบบยุบหนองพองนอก็เคยสัมมาอรหังก็เคยพุโทโธเก็เคย <Yeah. S 1> ก็สัมมาอรหังแล้วค่ะลูกแก้ว <laughs> ค่ะก็คือหลายโรงเรียนแล้วเกินเพราะว่าก็สแสวงหานี่ยนะคะจนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ว่า มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีถ้าเราเจอโรงเรียนดีก็ดีไปถ้าเจอโรงเรียนที่ whatever ก็ทำให้เราชักช้าเนิ่นนานเห็นไหมคะคราวนี้เวลาที่ท่านบอกว่ารูปนามเนี่ยโยงก็ใช่โอเคกายใจแต่โยงก็ยังยังยังไม่เห็นอย่างที่เขาเห็นกันโยงก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรแต่ว่าโยงคะ่ะ ค่ะโยมเห็นว่าเวลาเวทนามันจะเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมันจะค่อยๆเข้าแล้วแล้วใจมันจะเริ่มกระเพื่อมมันต้อเวทนามีควาหมายอะไคือความชอบไม่ชอบเจ็บมันเกิดจากร่างกายก่อนนะคะเจ็บเจ็บแล้วใจมันจะไม่ชอบมันจะผลักมันจะผลักออกผลักออกอย่างเงี้ยคะหรือว่าจะสั่งให้เราว่าเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่านะแล้วมันก็เกิดการกระสับกระส่าย ถ้าโเวลาที่โยมไม่มีสติเนี่ยมันจะแบบว่ากระสับกระส่ายมากแล้วแล้วอยู่ไม่ติดใช่ไหมคะเหมือนว่าสติโยมไม่มีว่าปัญญาก็หายไปหมดแล้วถูกไอ้นี่แบบว่ามาตะลุมบอลแต่ถ้าถ้าครั้งใดที่แบบว่าโยมมีสติดีขึ้นก็จะมองดูเขาเหมือนว่ายังแบบว่ามันมี คล้ายๆกับว่ามีผู้รู้คอยดูอยู่อันนี้ยิยมไม่ทราบว่ายมไปติดผู้รู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เหมือนมีผู้คอยมองอยู่ว่าอะไรที่มันผ่านเข้ามาในตะข่ายในใจของเราอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอรู้อยู่แต่เหมือนว่าความคิดเหมือนความคิดเวลาที่มันจะเข้ามาในใจอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีมีผู้รู้ที่แบบ ไปจับได้ทันที่เวลาเาเข า, เขาพอจับได้ทันมันก็สลายไปมันก็สลายตัวแต่ว่าอันนั้นก็คือดูเฉยๆอีกเหมือนกันใช่ไหคือคือในระดับต้นกับระดับกลางเนี่ยมันมันเป็นอารมณ์ที่ยังไม่มันโซ ล, ละเอียดใช่ไหมคะท่านมันละเอียดแล้วก็ค่อยเพิ่มมาหยาบคร่านี้แต่ไม่หยาบมากคร่านี้สองอันเนี้ย ถ้าถ้าเราทราบเนี้ยเราก็ดูเฉยๆหรอคะท่านก็ดูเฉยๆหรือว่าดูว่าเมื่อไราแกจะแบบเปลี่ยนใช่ไหมคะและ้วอย่างการทํามือนี่นะคะการทํามือคือมารู้สึกอยู่ที่คือคือโยง confuse ว่าควรจะไปรู้สึกที่ที่มือหรือว่าไปรู้สึกที่ใจแต่ยงว่ารู้สึกที่มือมันน่าจะดูที่ใจมากกว่านะโยงก็ confuse ทนะ่านอ๋อ ถ้างั้นก็เหมือนเพ่งมืออือค่ะเข้าใจค่ะก็คือก็อคือรู้แค่ว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลือ่อนไหวเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องดูตั้งแต่ตัวละเอียดแรกแล้วมาตัวละเอียดกลางดูดูการเปลี่ยนแปลงของเขาใช่ไหมคะดูเฉยเฉยดูดูแต่ไม่ใช่เพ่งแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่า แอบดูแอบดูแอบดูแต่ว่าเดี๋ยวไม่จัดการได้ทันทีครับเพราะว่ า, วามันมีอันใหม่อันใหม่ขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าพอดูปุ๊บอันนี้มันหมดไปเอาอันใหม่ส่งเข้ามาอีกพอกําังใจบอกอัน้ก็อันใหม่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็เกี่ยวกับ ง, งานตลอดก็ตรงนี้ที่เป็นความสัตสนของคนใหม่ก็คือ แยกไม่ออกระหว่างไอตัวเวทนาเวทนากัรสตินะฮะคือไปคิดว่าอันไหนที่เป็นสติแล้วไปเพ่งมันเพ่งให้มันชัดแต่ความจริงไม่ต้องเพ่งรับรู้เฉยๆเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ไม่ไม่รู้จักมันก็เลยไปหลงเพ่งให้มันชัดใช่ไแต่ความจริงตัวรู้เวทนาเนี่ยระดับต้นระดับกลางระดับหยาบมันก็มีให้เห็นอยู่แล้ว แต่ที่นี้เราส่วนใหญ่เราอยู่กับมันจนชินนะนะเราก็ไม่ค่อยไปสัมผัสมันเท่าไหร่แต่เวลามาเจอเรื่สติแบบนี้เนี่ยเราจะชินกับอันนี้ไม่ได้เราจะต้องให้เห็นว่าเป็นอีกภาวะหนึ่งที่เราต้องสังเกตแต่ไอ้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานลองสังเกตว่าเออถ้าเราไม่สร้างเป็นไงถ้าเรายกขึ้นมาคือต้องท ด, ทดสอบตัวการเองเสมอนะถ้ายกขึ้นมากับเม่ยกเป็นไงรู้สึกต่างกันยังไง มนุษยชาติก็ทดสอบอีกทดสอบเป็นส0บครั้งย0ิบครั้งจนกระทั่งหายสงสัยอ่ะเพราะตรงนี้จะอธิบายให้กันไม่ได้จนกว่าเราจะทดสอบให้รู้เข้าใจเองแล้วเราจะเราจะใช้มันถูกถ้าหากเราไปคิดเอามันจะไม่ได้อย่างเวทนาเนี่ยหมายถึงพูดถึงรูปนามก็หมายถึงว่ารูปนามปรากฏเพราะมีเวทนาเป็นตัวสื่อ ถ้าเราไม่จับต้นที่เวทนาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปมีนามหรือเป่าคนตายก็ไม่รู้ว่ามีรูปมีนามเพราะไม่มีเวทนาบอกแต่คนเป็นมีเวทนาเป็นตัวบอกว่ามีรูปมีนามอยู่แต่ทีนี้ไอ้รูปนามที่มันติดกับกายอันหนึ่งนะแต่นามคือผู้รู้ที่เรายกขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นผู้ไปรู้อีกทีหนึง่งตัวนี้เรียกว่าตัวนามล้ว น, วนคือสติสัมปชัญญะซึ่งเราจะต้องทดสอนให้เห็นชัดว่าอันไหนสติสัมปชัญญะอันไหนเป็นความตั้งใจเพ่งอันไหนเป็นการรู้แบบสบาย ต้งแยกตัวนี้ให้ออกโดยถ้าไปตั้งใจเพ่งไม่ใช่ละเป็นอุปทานถ้ารู้เฉยๆรู้เท่าที่รู้แต่ว่าทําให้มันรู้เท่าที่มันรู้รู้แล้วก็จบไปไม่จำเป็นต้องผัดชัดไม่ต้องชัดเวลายกน้งก็ชัดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเราตั้งใจรู้นะชัดอยู่แล้วแล้วมันก็จะเป็นทักษะจิตของเรามันก็จะมาคุ้นอยู่ใกล้ตัวนี่แหละเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวดอกย้ําให้ตัวรู้มันมันมันปรากฏ จิตของเราพอนั้นเข้านานเข้าจิตมันก็มันจะไม่ร่องรอยไปทางอื่นเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นคอยคอยกระตุ้นให้รู้อยู่เสมอออ่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันได้ถ้าก็มีตัวเวทนาเป็นตัวเชื่อมต่อให้ไปสู่กายสู่ใจอีกทีหนี่งตัวนี้มันก็เหมือนกับตัวมอนิเตอร์ที่คอยหมุนให้เข้าไปสู่ใจอยู่เสมอเรียกว่าตัวลาเลียงตัวรู้ไปสู่ใจ จ่ตของเราก็จะซึมซับเอาตัวเอ็กซ์เพลียนนี่นไปเรื่อยๆจยกนกระทั่งกายเป็นปัญญาของมันเองเพราะฉะนั้นคนไหนขยันทําขยันรู้คนนั้นก็จะได้เปรียบแต่คนไหนขี้เกียจก็ออกก็ได้นับได้แต่ว่าการยกมือนี่หมายเขาว่ามันช่วยให้ไปรับรู้การเคลื่อนไหวคนส่วนอื่นได้เร็วขึ้นเพราะตัวนี้เป็นตัวจุดประกายอจะถ้าหาว่าเราไม่ขยนันยกมือตัวรู้หลักนี่มันไม่ชัดตัวรู้ลองไปมันก็ไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเพราะเราเคลื่อนไหวจริง